สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะดิฉันสันนิน้าพงมารายงานตัวอีกแล้วนะคะกับรายการสัสนิยสนทนาในวันที่ได้มีโอกาสสนทนากับท่านไพบูลซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมี5้าวันสาวันแรกท่านไพบูลก็จะได้สแสดงธรรมให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังคนเดียวนะคะมาวันนี้ก็จะเป็นโอกาสร่วมกับวันศุกร์อีกวันหนึ่งที่จะได้ กรับเรียนถามคําถามท่านไิบูรณ์โดยดิฉันสันนิษซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นคําถามของต้นวังท่านอื่นถามมาก็ได้ก่อนที่จะไปพบกับท่านอยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู่นท่านไิบูณ์ได้มากรุงเทพนะคะมาแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุท่านเพื่อธาตุซึ่งอยู่ภายในบริเวณ ส่วนรถไฟนะคะดังั้นเองก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านด้วยแต่เสียดายที่ไม่ได้ฟังธรรมที่ท่านแสดงเพราะว่าก็เกิดมีภารกิจอย่างอื่นมาซ้ําซ้อนกันที่นั่นท่านแสดงธรรมบรรยายในเรื่องจิตตนครถ้าสมมุติท่านเมตตาเนี่ยนะคะดิฉันก็จะกราบเรียนให้ท่านได้มาแสดงในที่นี้ด้วยเหมือนกันอาจจะย่นย่อแตกต่างจากที่นั่นบ้างก็สุดแท้ว่า ท่านจะสะดวกขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ไปกราบเรียนท่านกันก่อนนะคะนมรสการค่ะเชี่ยพานลลดิฉันเนี่ยจะต้องรอนต่อว่านะคะเนี่ยว่าไม่ได้บอกท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการท่านเพบูลที่สถานีนี้ว่าท่านมากรุงเทพคราวหน้าท่านอย่าพลาดนะคะช่วยกรุณาแจ้งดิฉันล่วงนไ้ได้ได้ได <c oughs> ค่ะก็เป็นการทราบกระทันหันกับท่านผู้ฟังคะพอเศร้าปุ๊บเนี่ยก็ได้บันทึกเทปล่วงหน้าเลยไม่มีโอกาสที่จะอบอกกล่าว ให้ท่านฟังทั้งหลายได้ไปกันทันแต่ไรเซียเรนจะพยายามให้เสียโอกาสคือว่าถ้าจะให้ท่านได้ช่วยกรุณากล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องของจิตตนครเนี่ยหลังจากที่ได้ถามคําถามอื่นแล้วในรายการนี้นี่พอไหวไหมคะหรือว่าจะให้ลุก้นจิตตนครนไปก่อนได้ไดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ให้จบในตอนเดียวได้ใช่ไหมคําถามที่ก็น่าสนใจนะคะท่านฟังคะคือมีผู้ศรัทธาท่านไพบูล ท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้กราบเรียนถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าอนุโมทนาพวกเราเนี่ก็อนุโมทนากันวันหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายรอบนะคะงเข้าใจว่าคนไทยเริ่มมีความเชื่อว่าอการที่ใครไปทําบุญมาแล้วเราทราบข่าวเราอนุโมทนาเนี่ยเป็นบุญอ่าเขาก็เลยถามมานะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าอย่างไรจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอืม คำว่าอนุมโมทนาเอาเอาความหมายของภาษาไทยก่อนใชความหมายของภาษาไทยก่อน<ะ>อว่าจริงๆแล้วคำว่าอนุมโมทนาเนี่ยโดยความหมายของภาษาไทยที่เราใช้ใช้กันเนี่ยหมายถึงว่ า, อ, าอย่างถ้าคุณโยมติ๋ว่าไปทําบุญสักที่ใดที่หนึ่งมาเราอนุโมทนาด้วยก็คือยินดีกับการที่คุณโยมติ๋วได้ไปสร้างบุญสร้างบุญศรไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือว่าให้ทานหรือว่ารักษาศีลก็ตาม น, น, นี่คือยินดีกับบุญที่เกิดขึ้นกับเขา นะยินดีกับบุญที่เกิดขึ้นกับเขาความยินดีตรงอันใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นบุญใหม่ของเราแต่<อ>นะ ว, ว่าจิตใจเรายินดีขึ้นมไม่ได้ไปแบ่งเข้ามาใช่ไหมคะไม่ได้แบ่งกันไม่ได้แบ่งกันมาตรงนั้นคนทำนี่ไม่เสียหายอะไรเลยที่มีเพื่อนยินดีถูกต้องเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการแบ่งเค้กนะคือถ้าแบ่งเค้กเค้กของเราลดลงใช่ไหมแต่การที่เขาอนุโมทนากับเราตรงนี้เป็นลักษณะของการต่อเตียนนะคือเรามีเทียนเล่ม1จุดไว้นะเป็นไฟลุกโผร่ขึ้น อาวเขาเห็นเรามีเตียงเขามาต่อกับเราไปนะเขาก็มีไฟดวงหนึ่งขึ้นมาต่ไฟของเราไม่ได้ลดลงไปอาเพราะงั้นการนุโมทนาตรงนี้เป็นเหมือนลักษณะของการที่เรามูทิตาด้วยคือยินดีในความสุขความสำเร็จของเขาค่ะนความยินดีอันหมายตรงนี้เป็นบุญแน่นอนอ๋อค่ะทีนี้ถ้าถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะกบางคนเขาก็จะให้ความหมายเหมือนกับว่าขอบคุณหรือว่า grateful คำว่า grateful เนี่ยมีลักษณะของคำว่าขอบคุณอยู่ะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่คำว่า grateful ทีเดียวนะคือคือคำว่า grateful เนี่ยสมมติว่ามีเร่องใดอย่างหนึ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ grateful ต่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราตรงนั้นนะซึ่งลักษณะมันจะมันจะไม่ค่อยตรงกับคำว่าอนุโมทนากันทีเดียวนะเพราะว่าความดีนั้นเกิดขึ้นกับเขาไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเข้าใจไหม คือ <Okay. S 2> ถ้าความดีเกิดขึ้นกับเราเรารู้สึก grateful นี่คือลักษณะของขอบคุณแต่ความดีเกิดขึ้นกับเขาแล้วเราไปอนุมโมทนายินดีที่เขามีตรงนี้ด้วยอันนี้ <Okay. S 2> ก็จะเป็นคน ล, ลักษณะกับคำว่า grateful ซึ่งนักวิชาการหลายๆคนในทางภาคภาษาอังกฤษเนี่ยนะที่ต่างทาง้นตะวัน ต, ต, ต, ตกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้มีไม่มีคำภาษาอังกฤษที่มันเป๊ะๆกับตรงนี้ <Okay. S 2> นเขาก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้ น, เ, น, นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจะพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นมุทิตาคือยินดีในความดีของเขาเนี่ยภ า, าษาอังกฤษที่เขาแปลแลก็คือ joy, s y m p a t h e t i c y joysympathetic joy คือยินดีในสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จในขอ s y m p a t h y joy ใช่ s y m p a t h e t i c a l y joy และ joy ก็คือยินดีในความสุขความสําเร็จกับเขาของเขาอ่ะนะ joy ใช่ค่ะ ไม่ใช่ซิมฟาซิกติกซิมฟติกแล้วก็เติมลี่อย่างเงี้ยใช่ไ้มคะใช่ๆช่่และจอยจอยนะคะซิมฟติกรี่จอยแนะออกเสียงยากนะค ะ, <c oughs> <c oughs> ะท่านฟังก็ฟังฟังพอรู้ว่าคำนี้ยสะกดว่าอย่างไรกันแล้วกันส่วนการออกเสียงเนี่ยไปพยายามกันนะคะให้โฟน e ติกถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะเข้า AEC แล้ว เดี๋ยวเรายินดีเขาฟังเป็นอย่างอื่นและยุ่งเลยเมื่อสักครู่ตอนฟังท่านพูดใหม่ๆว่าความหมายอนุโมทนาเหมือนยินดีเนี่ยความรู้ภาษาอังกฤษแบบพอสมควรน้อยๆน่นะคะคิดว่าออกของ g r a t u l a t i o n หรอสีอีกค่ะแล้ว congratulation ก็จะเป็นลักษณะเป็นเรื่องของกามมากกว ah. ่าเป็นเรื่องของความสุขทางตาทางหูในลักษณะนั้นแต่คาว่าซ y m p เนี่ยหมายถึงเรื่องของจิตใจต่ที่เกิดขึ้นกันในใจ ตอนแรกดิฉันนึกว่าซ y m p a t h ี่มันมาจากซ y m p a t h ี่ถูกไหมคะี่แปล ว, ว่าเห็นใจใช่ใช่นะคะแต่พอมาตรงนี้เป็นซิมฟ a ร์ติ a l l y แล้วก็จอยใช่นะคะจะแปลว่าอนุโมทนาอย่างไรก็ตามภาษาไทายเราก็ใช้คำว่าอนุโมทน า, าสบายใจดีค่ะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ถามมากนะคะเลยทำให้เราได้ทราบว่านอกเหนือจากภาษาอังกฤษอนุโมทนากันอย่างไรแล้วความหมาย ของอนุโมทนาเนี่ยได้ทราบความจริงแล้วคงจะทำให้สบายใจกันมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เป็นผู้ทำบุญเองและบางทีเพื่อนรู้เพื่อนอนุโมทนาใจเสียเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาแบ่งบุญเราไปหรือเปล่านะคะกับผู้ที่อนุโมทนาตอนแรกคิดว่าอนุโมทนาอะไรกันนักหนาเหรอเฉยเฉยพูดกันอยู่ได้ จะได้รู้ว่านั่นแหละเรากําลังสร้างบุญใหม่ถูกไหมคะใช่า ก, การที่เราพลอยยินดีมีมุทิตาจิตกับเขาใช่ใชค่ะทีนี้ก็ะนิมนท่านเรื่องจิตตะนครต่อเลยดีไหมคะเอ่ออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระปริชาได้อธิบายแยกแยะเน่ยเป็นอุปมาอุปไมยให้ให้เราได้เข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆโดยเปรียบเทียบกับเมืองที่เป็นหัวเมืองชายแดนที่มัง่งคั่งของพระราชาศัพท์ที่เขาใช้ตรงนี้ก็เรียกว่า ปั จ, จันตะนะคร์ปั จ, จันตะนะครเนี่ยก็คือไม่ใช่เมืองหลวงนะคุณยมติยวแต่ <Okay. S 1> เป็นหัวเมืองในที่อยู่ทางรอบนอกซึ่งมีความสําคัญนะเช่นเวลาที่คนเขาจะค้าขายก็ต้องผ่านเมืองนี้นะข้าศึกจะยกทัพมาเราจะทุกทัพออกไปก็ต้องไปตั้งกองทัพกองกําลังอยู่ที่เมืองประเภทนี <Okay. S 1> นะ้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยถ้ามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงใช่ไหมก <Okay. S 1> องกําลังที่จะอยู่จริงๆจีิยจะไม่ได้อยู่ในในเมืองหลวง เราก็จะอยู่ตามสระบุรีโคราชกาญจน บ, บุรี<ส>เหนือขึ้นไปก็พิษณุโลก<ส>เหนือขึ้นไปอีกก็เชียงใหม่แในตะวันออก<ค>เสียงเหนือขึ้นไปก็อุดรธา น, นีขอนแก่นในพวกนี้จะมีค่ายทหารอยู่มากนะมากกว่าในเมืองหลวงโดยซ้ำเนะ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นหัวเมืองชายแดนที่สําคัญเรนะ<ส>าจะเปรียบเทียบในกรณีนี้นะซึ่งเมืองที่สําคัญตรงนี้เขาต้องมีการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างดีนะเพราะว่าถ้าข้าศึกมาก่อนมันจะมาตรงนี้ก่อน นะเพราะว่าถ้าเมืองนี้แตกเนี่ยโอ้โหเมืองหลวงนี่เสียหายนั่นะก็คือเหมือนกับเมืองหลวงเสียหายไปด้วยอย่างเช่นในกรณีของกรุงศรีอยุธยายอย่างเงี้ยนะพม่า ก, ก็ยกมาเรื่อยๆจากพิษณุโ ล, โลกามาที่สุพรรณบุรีไล่มาจนถึงอยุธยาเนี่ยนะถ้าเบิดว่าหัวเมืองพวกนี้แตกนี่ก็เมืองหลวงนี่ก็มีปัญหาพระพุทธเจาก็จึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมืองประเภทศนี้ต้องมีการคุ้มครองป้องกันอย่างดี นะซึ่งอุปมาอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรเียบเทียบเอาไว้นะซึ่งก็เปรเียบเหมือนกับเมือง น, นี้ต้องมีกำแพงต้องมีกำแพงกำแพงนี้ก็ต้องสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบนะนอกจากมีกำแพงแล้วบนกำแพงต้องมีทางเดินนะถ้าจะพูดถึงก็คือเหมือนกับย่างกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยที่เราเห็นว่าอาจจะมีทางเดินอยู่บนกำแพงใช่ไหมแล้วฝั่งด้านนอกกำแพงฝันะ่งข้าศึกเนี่ยก็ต้องมีการขุดขูออกไวปนะคูนี้ร่องนี้ อาจจะใส่น้ําไวนะ้หรือว่าใส่น้ําแหลมๆไวนะ้ให้มันฆ่ามาไม่ได้ศัตรูข่ามาไม่ได้แลนะ้นอกจากนี้ในเมืองนี้ก็พอมีกําแพงเนี่ยก็ต้องมีประตนะูถ้ามีประตูก็ต้องมีนายเฝ้าประตูก็เลยว่านายทหารอันะนี้อย่างที่4ละในะอย่างที่4ในะอย่างที่5ในเมืองก็ต้องมีกองกําลังนะกองกําลังเป็นทหารเป็นหน่วยพลเรือนทการหน่วยเสยนาธิการกองกําลังต่างๆ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้ามีกองกําลังเราก็ต้องมีอาวุธด้วยนี่คือข้อที่หกนะมีอาวุธแล้วก็ที่7นั้นเมืองนี้ก็จะต้องมีเสาที่ค้ายันไว้อย่างดีแต่รนะับที่พระพุทธเจ้าใช้ตรงนี้ก็คือเสาระเนียดนะ <Okay. S 2> อย่างเช่นว่าเวลาที่เราเห็นตามโครงการการก่อสร้างเนี่ยเขจะมีเครนใช่ไหม <Okay. S 2> เครนเนี่ยไว้สําหรับยกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะติดป้ายติดลาเนะสาระเนียกก็คล้ายๆลักษณะนั้นนะไว้สําหรับติดป้ายไว้สําหรับ ปีนขึ้นดูค่าศึกมาจากทางไกลไว้สำหรับส่งกําลังสํารองกําลังลําเลียงอะไรพน้เั่งร้านอะไรอย่างนี้ได้ค่ะใช่ใช่ใช่ก็เป็นลักษณะว่าเป็นก่อขึ้นไปนะเป็นเหมือนกับเสาเป็นเกินกับป้อมเป็นเหมือนกับแท่นขึ้นไปอันะนี้คืออย่างที่เจนะ็ดนเจ็อย่างเนี้ยเป็นลักษณะของเมืองที่จะสามารถคุ้มครองป้องกันได้อย่างดี<ส>อา้าวเหมือนกับกับจิตของเรานะคือกายของเราเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะที่มีจิตเป็นเจ้าเมือง หนะังกายเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองถ้าสี่ดินน้ำไฟลมนาะก็เป็นเหมือนกับเสาเป็นเหมือนกับบ้านเรือนในในเมืองนี้หนาะเป็นเหมือนกับสิ่งกอ่อสร้างในเมืองนาะคนที่เป็นเจ้าเมืองก็คือจิตของเราหนาะเมืองของเราที่มีกายเป็นตัวเมืองมีจิตเป็นเจ้าเมืองเนี่ยจะต้องได้รับการรักษาคุ้มของป้องกันถ้าไม่งั้นเวลาค่าสึกมันยกมานาะเราก็จะถูกตีแตกทําลายได้ นะโดยอุปมาอุปไม้ที่พูดถึงกำแพงนะก็ได้อธิบายถึงเรื่องของปัญญานะปัญญาที่สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบนั่นก็คือปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งความตั้งอยู่ไม่ได้ของการตั้งหน้าของสิ่ง <Okay. S 2> ต่างๆที่มากระทบนะ <Okay. S 2> น, นี้จะเป็นปัญญาเพื่อที่จะเจาะแทงกิเลส น, น, นี่คือเปรียบเทียบกับกำแพง <Okay. S 2> นะมีกำแพงแล้วก็ต้องมีประตูใช่หนายเฝ้าประตูก็คือสติ ในนายวันเป้าประตูก็คือสติในะประตูทางเข้าทางออกนี้ก็มีอยู่6กทางด้วยกันนั่นะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต <Okay. S 1> นะ่ส่วนทางเดินเชิงเทินเดินราบที่อยู่บนกำแพงแล้วก็คูล้อมราบนี้นั่นะก็เปรียบเหมือนกับหีริแล้วก็โอตา ป, ปะแต่ก็ความกลัวแล้วก็ความลายต่อบาปนะส่วนกองกําลังที่อยู่ในเมืองนะเป็นกองกําลังที่มีความขยันขันแข็ง นะตรงนี้ก็เปรียบเหมือนกับความเพี่ยนนะกําลังความเพี่ยนการทําจริงแน่แน่จริงพวกนี้ <Huh. S 1> อกองกําลังนี้ก็ต้องติดอาวุธด้วยนะอาวุธที่ติดอยู่กับกองกําลังจะเป็นอาวุธที่ใช้ยิงระยะใกล้อาวุธยิงระยะไกลนะปืน M16 หรือว่าลูกระเบิดหรือว่ามีดสั้นมีดดาบอะไรพวกนี้นะก็เปรียบเสมือนกับสุตตะกนะ็คือ <Okay. S 1> พระสูตรที่เราฟังธรรมะเราฟังวิทยุอ่านหนังสือพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย โดยอัตาก็ตามโดยพยยียรชนะก็ตามพวกนี้เป็นอาวุธทั้งสิน้นเนี่ยเรียกว่าสุตตะคือการเรียนรู้การสั่งสมสุตตะเป็นอาวุธอ่าส่วนเรื่องของเสารเนียดเสารเนียดก็คือเป็นศรัทธาะศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนีจอย่างนี้นี่ยคือเปริยเทียบไว้ผู้สันชันตรงตร ง, ตรงนี้ว่าเมืองต้องมีเจ็ดอย่างนี้ถึงจะป้องกันเมืองได้เช่นเดียวกันกายของเรามีจิตเป็นเจ้าเมืองก็ต้องมีเจ็ดอย่างนี้ ไล่มาตั้งแต่ศรัทธาฮิริโอตปาวิริยะนั่นะคือความเพียรสุตตะคือเหมือนกับอาวุธใช่แล้วก็ปัญญาเนะ่คือเหมือนกับกำแพงนะในทวารก็คือสตินั่นเอง7จอย่างนะนี่สำคัญเราถึงจะป้องกันเมืองได้ค่ะเรามาเปรียบเทียบกับกรณีของคนที่ไม่ได้ป้องกันจิตหรือเปรียบเทียบกับเมืองที่ไม่มีการป้องกันแต่ามาสมมติเช่นว่าไม่มีกำแพง หรือว่าจะมีกำแพงแต่ว่านายเฝ้าประตูนนะนเนี่ยนายทวารเนี่ยไม่ค่อยฉลาดนะข้าศึกแอบเข้ามาได้อลไรต่างๆแล้วนะก็เมืองก็อาจจะถูกแบบปล่อยข่าวลือถูกยุยงให้แตกกันหรือว่าถ้าข้าศึกมาก็ยกยกทัพมาก็อาจจะถูกตีแตกเลยนะจิตเมืองที่แตกนะก็เหมือนเสมือนคนที่ถูกอะไรมากระทบแล้วก็จิตแตกนะจิตแตกเป็นยังไงก็จะรําให้กากรวญทุบบกโจกตัวถึงความเป็นผู้มุ่งงคลั่งเพอนะหรือว่าบางทีก็ กระ FAST, กาแฟรกระด้างกระเดืองแสงความกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้เกิดขึ้นได้นี่คือลักษณะของคนที่จิตแตกจิตแตกก็คือมีค่าศึกนะเป็นกิเลสบ้างเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจบ้างเงินหายบ้างญาติตายบ้างเป็นโรคที่รักษาไม่หายบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะจีดขึ้นมาปีตขึ้นมานะมร้องโหยร้องไห้เราก็อาจจะเคยเห็นกันอยู่นะทีนี้ถ้าผมว่าเราได้รับการรักษาตรงนี้ นะค่าศึกมาตีเราก็ผ่านไปได้แต่ปนระเด็นมันมีอยู่อย่างหนึ่งคุณโยมติวว่าแต่ถ้าบอกว่าค่าศึกมันปิดล้อมเราแตนะ่ถ้าค่าศึกปิดล้อมนะอยู่หลายเดือนนะถ้าในกรณีที่หลายๆเดือนแล้วถ้าในเมืองเราเนี่ยไม่มีสเสบียงอาหารนะเมืองก็แตกได้เหมือนกันนะเคยมีกรณีเช่นว่าสเสบียงอาหารไม่พอนะก็ทหารในเมืองนี่แหละที่ว่าเป็นกบฏนะจับเจ้าเมืองแล้วก็เปิดประตูเมืองยอมแพ้ นะเพราะด้วยความที่ขาดน้ำขาดอาหารนะเราก็เคยเห็นกรณีแบบนี้อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมืองต้องมีสเบียงด้วยซึ่งสเบียงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบในที่นี้ก็คือสมาธินั่นเองนะสเบียงมีอะไรบ้างนะก็คือมีข้าวมีน้ำมียารักษาโรคมีธัญพืชต่ตางๆอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับชานห น, 2, น, 3, นึนะ่ ช, น, 1, ชน2องชน 3, ชนสี่ชนนนก็คือสมาธินั่นเอง นะเบรกเทียบกับเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะเช่นต้องทำงานกับคนที่มันทำงานด้วยยากนะเป็นหลายๆเดือนหรือหลายๆปีนะบางทีก็ญาติเรานี่แหละนะที่มีปัญหาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวสามีภรรยาหรือลูกเต้าหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่นะอยู่ในลักษณะนั้นเราก็ต้องออมีสเสบียงอาหารนะในใจเราค็เยที่จะรักษาไม่ให้เมืองเราแตกค่ะนะลักษณะเนี้คือจะเป็นเป็นลักษณะของ กายยานคร์เนที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองในพระรูชาเปรียบเที่บไว้อย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าเรื่องจิตตานครเนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ละคนนั่นเองใช่และกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจิตยอย่างนั้นไหมจิตตานครเป็นเมืองในพุรูชาบอกว่าเอ่อถ้าสีดิน้ำไฟลมเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งก่อสร้างในเมืองค่ะแล้วก็มีจิตเนี่ยเป็นเจ้าเมือง อ๋อค่ะนะคะเป็นเมืองที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองใช่เราเนี่ยเป็นเมืองถูกต้องนะคะเราเป็นดินน้ำไฟลมใช่แล้วจิตเนี่ยจิตจิตทั้งหลายเนี่ยจิตนี่มีดวงเดียวแลว้วไหมคะจิตชื่อสันสเมีภาคจิตอจิตนี่คือหมายถึงสภาวะที่เราเข้าไปรับรู้ได้ค่ะรับรู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้คนที่เข้าไปรับรู้เนี่ยรับรู้สั่งการทุกอย่างคือเจ้าเมืองคือจิตเราแล้วหนึ่งค่ะอืมนะคะอ่าเพราะนั้นเนี่ยในนี้ ท่านก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนที่ท่านไปบุญได้บอกนะคะมีจิตเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีกำแพงคือปัญญาปัญญานั้นคือความสามารถในการที่จะเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยมีประตูที่มีนายทวารชั้นดีคือสติต้องฉลาดคอยกำกับดูแลนะคะจึงจะสามารถทาให้อา มีปัญญาอย่างนั้นได้เท่าทันได้ใช่ไหมคะใช่แล้วกอ็องค์ประกอบในการสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองนี้ก็ประกอบไปด้วยอ่าทางเดินเชิงเทินคูล้อมเรียกว่าหิหริโอตปะถูกต้องกองกําลังเข้มแข็งทั้งหลายที่ยทอยู่ในเมืองเราเรียกว่าเป็นตัวความเพีย่ยนความเปี่ยนนะคะแล้วก็กองกําลังทั้งหลายก็ติดอาวุธที่เรียกว่าเป็นสุตตะคือความรู้ในธรรมะ ต่ใช่เสารเนียรหรือเสาระเนียรที่ท่านว่าเนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดูเหมือนนี่เป็นอินสี่ห้าอะไรเงี้ด้วยเป่าครก็จะมีส่วนอยู่ในนี้ถูกต้องอินสี่ห้าอยู่ในนี้ด้วยใช่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่ในนี้หมดเลยใช่นะคะแล้วก็มีสมาธิที่ท่านอาจารย์ว่าเป็นเสเบียงใช่นะคะที่ประกอบไปด้วยฌานหนึ่งสองสามสี่อืมอืเอ่อทีนี้ในในมีประเด็นเพิ่มเติมคุณยมติวตรงนี้ในวิชาทางการทหารเนี่ย แต่นมนก็เคยไปเรียนวิชาทักษาดินแดนอยู่3มปีต อ, ม อ, อนะมอปลายค่ะแล้วมีมีอันหนึ่งที่เขาพูดแล้วก็ยังมาสะท้อนใจอยู่ในตอนนี้นะเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะฝึกทหารเนี่ยคุณต้องฝึกตอนที่บ้านเมืองเนี่ยปลอดภัยบ้านเมืองสงบถ้าเราจะมาฝึกทหารตอนที่บ้านเมืองมีศึกสงครามเนี่ยโอ้ไม่ได้มันไม่ทันการคร่นะดันั้นไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาวุธการฝึกซ้อมทหารการสร้างกำแพงพวกนี้ ต้องทําตอนที่บ้านเมืองสงบเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่เรายังไม่ได้เจอภัสสที่ไม่น่าพอใจน่ะไพคือศัตรูยังมาไม่ถึงเราต้องรีบสะสมเสบียงก่อนนั่นคือสะสมสมาธิต้องรีบก่อสร้างกําแพงก่อนนั่นคือสร้างปัญญานัต้องรีบสะสมพวกยุทธโธปกรณ์ตอนนั่นคือสุดตันตานี่เราต้องสะสมไว้นะพวกพลทหารนะเทรนทหารฝึกซ้อมทหารเราต้องฝึกขึ้นมานะเพื่อตอนที่ยังไม่มีค่าศึกนี่แหะ นะค่าศึกคือใครค่าศึกคือใครนะค่าศึกก็คือมานั่นเองคุณยมเตียวน้ำมันะมาจากไหนนะเช่นบางทีมัดจุมานมานคือความตายนะเราจะตายอย่างเงี้ยเราก็จะตายหรือว่ามันอย่างอื่นเช่นกิเลสมานแล้วก็มีหรือแม้แต่เจอโรคที่มันรักษาไม่หายเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายญนะาติตายเศรษฐกิจไม่ดีพวกเนี้ยเป็นมานที่จะมาเป็นค่าศึกที่จะมากระทบเราทั้งสิ้น ถ้าเราชักช้านะประมาทตอนนี้เียพอถึงเวลาที่มีค่าศึกมาแล้วเราจะเตรียมการไม่ทันอืมนี่คือคประเด็นนะคะนั้นตอนนี้ถ้ากําลังคิดว่าอรู้ไว้ก่อนรอก่อนเดี๋ยวค่อยทําอืมท่านพระบูรพ์กำลังเตือนใช่ไหมค ะ, ะมว่ า, าอยู่บนความประมาทเพราะเราจะต้องฝึกทหารกันตอนที่บ้านเมืองยังสงบยังไม่มีมารทั้งหลายเข้ามา ใช่แล้วยืนยันได้แน่นอนฟันธงให้ร้อยเปอร์เนว่ามันมาแน่ไม่รูปใดก็รูปหนึ่งไม่แบบใดก็แบบหนึ่งบาที่ว่านี้มีทั้งแก่เจ็บตายใช่บางคนไม่ทันเจ็บก็ตายซะก่อนแล้วไม่ทันแก่ต่างหากกระโดดข้ามขั้นไปเลยทีนี้ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตายหรือว่าเราจะไม่เจ็บหรือว่าเราจะไม่แก่ตรงนั้นนะ แต่แต่สิ่งที่กําลังพูดอยู่ในที่นี้ก็คือว่าถ้าเปลว่าเราเจอความแก่ความเจ็บความตายและเรารเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นด้วยความที่จิตเรายังมีความผาสุกอยู่ได้นี่คือประเด็นค่ะเวลาที่เราเจอความตายอยู่เฉพาะหน้าเรายังผาสุกได้นี่คือสิ่งที่เราต้องรักษาคือรักษาเจ้าเมืองของเราเนี่ยคือจิตของเรานัเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะคิดไปไม่ถึงตอนเนี้นะคะคือไม่ค่ยได้เตรียมตัวเพราะว่าไม่คิดว่าจะตั้งรับไม่ทัน ใช่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเราจึงพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าเอาต้องอย่าประมาทนะอย่าประมาทโดยยกขึน้นมาวรรมนี้ขึ้นในดูเหมือนกับว่าท่านจะพูดไปไกลถึงตอนจะตายเนี่ยบางคนกว่าจะตายก็อาจจะอีกนานนะคะแล้วก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวแข็งแรงอยู่ดูเข้าใจว่าถ้าท่านพูดถึงผัสสะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่มากระทบและทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆใมากมายาอันนี้ท่านคะ อ, อยากจะให้ท่านได้ให้ความรู้ในการที่จะจัดการเช่นสมมุติอย่างนี้นะคะฟังเสียงไม่พอใจเลยเจ้านายว่า ม, มันโกรธอะโกรธแล้วจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เจ้านายเนี่ยเดือดร้อนใจจะได้สะใจโอเคถ้าในกรณีนี้นเมืองของเราได้รับการรักษาอย่างดีในเวลาที่มีภาษามากระทบปุ๊บเนี่ยมันมาทางไหนมันต้องมาทางประตู แต่ไม่ต้องมาทางประตูประตูถ้ามีนายทวารคือสติรักษาไว้อย่างดีสิ่งที่คนที่รู้จักแล้วให้เข้าได้คนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าสิ่งที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าก็คืออกุศลธรรมอย่าเข้ามาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้เข้ามาได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเห็นคนเขาด่ากันว่ากันหรือด่าเราว่าเราเนี่ยสิ่งที่เป็นอกุศลอย่าเข้ามาสติจะป้องกันได้แนะสติเป็นนายทวารต้องฉลาดนะต้องฉลาดถ้าเผื่อว่าเผลอหลับเนี่ย หรือว่าไม่ฉลาดเนี่ยมันแฝงตัวเข้ามาปลอมตัวเข้ามามันก็เข้ามาได้เพราะฉะนั้นในายตะวันต้องฉลาดต้องสติก่อนนะทีนี้ถ้าผมว่าเราเที่ยวเปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้นั้นะไม่รู้จัก ร, รักษาก็เหมือนกับกำแพงไม่มีนะี่ยไม่มีปัญญาที่จะคอยสอดสองเรื่องของสติปัญญาก็ต้องมาด้วยกันนะนี่คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ทันทีค่ะเนื่องจากเวลาเหลือน้อย อ, อันนี้ยกตัวอย่างให้ใที่เหลือท่านก็ ฟังความรู้ทั้งหลายเป็นการสั่งสมสุดตาจากท่านเพรื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะปกป้องเมืองที่มีจิตเป็นเจ้าเมืองของท่านกันเรียบร้อยแล้วก็ไปค่อยๆใครครวนนะคะทุกอย่างที่ดําเนินชีวิตกันอยู่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถจะเอาไปใช้ประยุกตเอาความรู้นี้มาให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองสําหรับวันนี้ก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเพรื่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเจียบาน ค่ะท่านฟังคะถือว่าเรากําลังฟังเรื่องใหญ่นะคะเนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่ท่านพิบูลน้ถ่ายทอดคําสอนของพระาศาสดามาเตือนพวกเราเพราะว่าวันนี้นครที่ว่าเนี่ยมันคือดินน้ําลมไฟที่เป็นตัวของเราเองแล้วก็มีจิตเป็นเจ้าเมืองที่ตั้งอยู่บนความประมาทไม่ได้การที่จะไม่ประมาทก็คือต้องเตรียมความพร้อมก่อนในทุกๆด้านนะคะฝึกทหารตอนบ้านเมืองสงบอย่าให้มานเข้ามาได้ฝึกให้อ่า นายประตูทั้งหลายเป็นผู้มีสติที่ถูกต้องแล้วก็ฉับไวมีปัญญาที่ถูกต้องมีสติที่ฉับไวเป็นต้นติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรับรองว่าเนื้อหาของธรรมเข้มข้นพร้อมที่จะให้ท่านนำเอาไปใช้เผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆในชีวิตแล้วจะทําให้ชีวิตนี้มีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นได้บุญได้กุศลหลีกเลี่ยงจากความไม่เป็นกุศลหรือว่าอาจกุศลกัน อย่างมากนะคะวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากรายการสังสนีสนทนาที่มีท่านสังสีงส น, นาพงเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106มแห่งนี้นะคะพุทว่าสวัสดีค่ะ